อนุคุ ธ, ธะนักธรรมชั้นโทมวลที่ส6บหบรรยายโดยพระอาจารย์มหามโูสุมโนจเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจทั้งหลายวันนี้ก็ถึงการประบรรยายประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่หกสสาม คือประวัติของท่านภาษาคตาเถระประวัติเดิมของท่านนั้นภาษาคตาเถระเกิดในตระกูลพราหมณ์คือในวันณะของพราหมณ์ในพระนครสาวัตถีมารดาบิดาให้ชื่อว่าสาคตามานพแต่ว่าบิดาของท่านและมารดาของท่านนั้นจะชื่ออันใดก็ไม่ปรากฏ แล้วก็ไม่ปรากฏตามประวัติไม่ได้กล่าวไว้ว่าท่านนั้นได้เรียนจบตรามตามหลักสูตรคือไตรเพฆของพราหมณ์หรือเปล่ากล่าวแต่เพียงว่าท่านจเจริญวัยแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระบรมศ า, ศาสดาก็เกิดสถาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาก็จึงได้ออกบรรพชาอุปสมบท ือเพศเป็นบรรปลิตเมื่อท่านได้บวชแล้วก็ปรากฏว่าได้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งยังฌานสมาบัติแปดประการให้บังเกิดขึ้นฌานสมาบัติแปดประการนี้ก็ได้แก่รูปฌานสี่อรูปฌานสี่ก็คือรูปฌานก็คือปฐมฌานทุติยฌาน ตติยฌานและจตุฌานส่วนอรูปฌานสมาบัติ4ก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปฌานสี่รูปฌานสี่นี้รวมเรียกว่าสมาบัติ8ประการท่านยังฌานสมาบัติแต่ประการนี้ให้บังเกิดขึ้น แล้วก็มีความชำนิชำนาญในองค์ฌานนั้นๆก็คือว่าท่านเป็นผู้มีความชำนาญที่เราเรียกกันว่าว ส, สีอ่าคือว ส, สีคือความชำนิชำนาญในองค์ฌานนั้นๆัห้าประการด้วยกันดังที่กล่าวแล้วในประวัติของท่านพระโสพิตะเถระว ส, สีห้าประการนั้นก็คือประการที่หนึ่งชำนาญในการน้อมนึกถึงองค์ฌาน ประการที่สองชำนาญในการเข้าฌานประการที่สามชำนาญในการหยุดอยู่ในฌานประการที่สี่ชำนาญในการออกจากฌานและประการที่หาจาชำนาชำนาญในการพิจารณาถึงองค์ฌานที่เรียกว่าวสีหประการขั้นการต่อมาสมเด็จพระบรมศาสดาได้เสด็จจาริกไปตามชนบทจนกระทั่งบรรลุถึง หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าพัฒวติพัฒวติคามในพระนครโกสัมพีพระองค์ได้ประทับอยู่ที่บ้านที่บ้านพัฒวติคามแห่งนั้นท่านพระสาคตะรูปนี้ก็ได้ตามเสด็จไปด้วยตามตำนานของท่านนั้นกล่าวไว้ว่า ในท่าที่ท่าชื่อว่าอัมพะท่าหนึ่งซึ่งเป็นท่าน้ําหรือเป็นท่าน้ําเป็นที่จอดแห่งเรือทั้งหลายมีพญานาคตนหนึ่งมีฤทธิ์มีเดชมากชื่อว่าอัมพติถกะนาคอัมพติถกะนาคพญานาคตนนี้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์เป็นหน้าที่มีฤทธิ์มีเดชมากเป็นที่วัน เกรงของประชาชนเป็นอันมากท่านภาษาคตะนั้นก็ได้ไปทรมานพญานาคนั้นจนกระทั่งเสื่อมฤทธิ์เดชต่างๆคือท่านก็ได้ไปทรมานรู้ว่าพญานาคนี้เป็นที่เกรงกลัววันเกรงของประชาชนแถวๆนั้นเป็นอันมากหรือชาวประชาชนชาวโกสุมพีเป็นอันมาก ท่านก็ได้ไปทรมานพญานาคนั้นโดยการที่แสดงฤทธิ์จนกระทั่งพญานาคในสิน้นฤทธิ์โดยการที่ท่านเข้าเตโชสมาบัติสู้กับฤทธิ์ของพญานาคเมื่อทรมานจนพญานาคในสิ้นฤทธิ์สินส้นเดชแล้วก็จึงได้กลับไปยังสำนักพระบรมศาสดาที่พัทธวติคาม ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปโดยลำดับจนกระทั่งเมื่ อ, อสมเด็จพระบรมศาสดานั้นเมื่อเสด็จประทับอยู่ที่บ้านพัทธวติขามนั้นตามสมควรแก่พุทธญาสายแล้วก็เสด็จไปยังไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระนครโกสัมพี อุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสมผีนั้นก็ได้ทำการต้อนรับพระองค์ตามสมควรแต่เมื่อได้ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าสาคตะคือท่านพระสาคกตะได้ตามเสด็จไปด้วยแล้วได้ทราบว่าได้ทราบแล้วว่าท่านพระสากกตะผู้นี้ได้สู้กับพญานาคที่อยู่ที่ท่าชื่อว่าอัมพะจนมีชัยชนะก็มาด้วย ก็จึงได้พากันมีความปรีติยินดีเป็นอย่างมากก็มีความประสงค์จะหาของอย่างดีๆเป็นที่พอใจถวายเพื่อเป็นการที่บูชาพระคุณที่ท่านนั้นได้สามารถปราพยานาคจนสิน้นฤทธิ์อันเป็นความสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวโกสุมพีก็จึงได้เข้าไปหาท่านภาษากตะ วหยแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งและจึงได้กล่าวถามท่านขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญอะไรเล่าเป็นของที่หายากและเป็นที่ชอบใจอย่างยิ่งของพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่ายังไม่ทันที่ท่านภาษาขตะจะออกปากตอบพวกพิสษุพวกฉับพะคีพิสุจฉับพะคีก็จึงได้ บอกแกอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั่นเองเลยว่าสุลาอ่อนใสสีแดงเหมือนกับตาตะกระแต่นนั่นนะสิลาสุลาอ่อนๆใสเหมือนกับตาตะกะแตนสีแดงดังทานกพิลาบเป็นของที่หายากและเป็นของที่ชอบใจอย่างยิ่งของพิกษุทั้งหลายด้วยพวกเธอไอพวกท่านทั้งหลายนั้นจงจัดแจงสุลาเช่นนั้นไว้เถิด อุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นก็จึงได้จัดสุลานั้นไว้ทุกเลือนทุกเลือนนะทุกเลือนทุกเลือนเมื่อเห็นพระเมือ่อในตอนรุ่งขึ้นในตอนเช้าเมื่อเห็นพระสักตะเถระเที่ยวบินธบาตก็จึงได้นิ ม, มนต์ท่านให้ฉันด้วยครับว่าขอพระผู้เป็นเจ้านั้นจงลืมสุราอ่อนอันใสเหมือนกระตาตะกะแตนอันมีสีแดงดังเท้า น, นกพิราบก่อนเถิด เจ้าค่าภาษาสะตะเถระก็ไม่สามารถที่จะขัดศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกาเรานั่นที่นิมนต์ได้เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาของของอุบาสกอุบาสิกาก็จึงได้เดินสุรานั้นทุกเลือนทุกเลือนก็โดยอํานาจของสุลานั่นแหละทาให้ท่านเนี่ยมึนเมาลืมสติตั้งสติไม่อยู่เมื่อออกจากพระนคร โกสมพีคือกลับจากการพิธบตีเดินออกจากพระนครโกสุมพีแล้วก็ล้มลงที่ประตูพระนคร น, นั่นเองเพราะอำนาจแห่งสุลาพราะบรมศ า, ศาสดาทรงทราบเหตุการณ์เช่นนั้นก็จึงรับสั่งให้พระพิสุพวกพิสุทั้งหลายนั้นไปพยุงเธอกลับมาสู่วิหารและวก็ทรงตาหนิติเตียนมีประการต่างๆในถ้ำกลางพิสุสงฆ์ทั้งหลาย แล้วก็ทรงบัญญัติสิขาบทห้ามพิสุมิให้ดื่มสุราเมลัยอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปด้วยคำว่าด้วยพระดำรัสว่าสุราเมรยะปาเนปาจิตียังซึ่งมีความหมายว่าเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะดื่มสุราและเมลัยท่านในวันลุ่งขึ้นท่านภาษาคาตะนี้สร้างเมาได้สติแล้ว ก็กราบทูลขอขอมาให้พระบรมศาสดาทรงอดโทษแล้วก็บังเกิดความสังเวชสรดใจในการกระทำของตนเช่นนั้นตั้งแต่นั้นมาท่านก็อุตสาห์เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนะักก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผลเป็นพระอเศสขบบุคคลในพระพุทธศาสนา ขั้นการต่อมาเมื่อพระบรมศัสดาเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารก็ได้ทรงตั้งท่านนั้นไว้ในตำแหน่งเอตทะขะฐานเป็นผู้เริศกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายฝ่ายข้าเป็นผู้ฉลาดในเตโชกสินสมาบัติและก็ตามตำนานปรากฏว่าท่านนี้ก็ได้เคยเป็นพุทธอุปถาองค์หนึ่งเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระรูปหนึ่งที่ว่าชื่อภาษาคตะเป็นต้นบัญญัติในการดื่มสุราะเป็นการต้นบัญญัติในการที่พระพุทธองค์นั้นอืได้บัญญัติห้ามไม่ให้พิกษุดื่มสุราและเมลัยซึ่งความจริงท่านนั้นก็ไม่ประสงค์ประสงค์ที่จะดื่มแต่ว่าญาติโยมทั้งหอาย อุบาสกบาซิกาทั้งหลายนั้นไม่ทราบว่าจะเป็นการไม่ดีสําหรับสมณะโดยไปเชื่อคําของพิสุฉับ พ, พักขีเข้าก็จึงได้จัดเตรียมท่านไว้แล้วก็อาราธนาให้ท่านหรือว่านิมนต์ขอร้องให้ท่านดืม่มนั้นเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาเป็นการที่จะได้บูชาพระคุณของท่านที่ได สามารถปราพยานาคนี้จนสิ้นพยศหมดฤทธิ์ท่านนั้นก็ไม่เต็มใจที่จะดื่มแต่ว่าได้ดื่มไปด้วยเพื่อรักษาซึ่งศรัทธาของญาติโยมจึงเป็นต้นเหตุให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติเตียนโดยประการต่างๆและจึงได้บัญญัติศีขาบห้ามการดื่มสุราตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปท่านภาษากะตะ เทระผู้นั้นก็เป็นกำลังใหญ่ในการช่วยประกาศศาสนาองค์หนึ่งเหมือนกันอย่างน้อยๆก็ยังบุคคลที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสบุคคลที่เลื่อมใสแล้วก็ให้เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปในการที่ท่านนั้นได้สามอาจได้มีความสามารถทรมานพญานาคชื่อว่าอัมพติทกะนาค ให้สิ้นพยศไปได้ด้วยอำนาจของเตโชกสินสมาบัติซึ่งในขณะนั้นท่านก็ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลเป็นแต่เพียงว่าได้สมาบัติอันเป็นขั้นโลกิยะเท่านั้นท่านนั้นดำลงอายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การก็ดับขันธผลินิพานประวัติต่อไปนั้นก็เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่หกสิบสี่ คือประวัติของท่านพระอุปเสนาเถระท่านพระอุปเสนาเถระนี้ประวัติเดิมของท่านก็เป็นบุตรของวังคันตะพราหม์คือเกิดในตระกูลในวรณะของพราหมณ์มีบิดาชื่อว่าวังคันตะมารดาชื่อว่านางสารีเกิดในบ้านชื่อว่านาลันทาแว่นแควนมคตซึ่งห่างจากกรุงราชคลือประมาณสิบสองไมล์ แปดไมล์หรือสิบสองกิโลเดิมนั้นท่านก็ชื่อว่าอุปเสนามานุอุปเสนามานุพผู้นี้ก็เป็นน้องชายแท้ๆของท่านภาษาริบุตรในเพราะเหตุที่ว่าพระท่านภาษาริบุตรนี้มีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันนั้นถึงหกคน คือมีน้องชายสามคนคือหนึ่งพระจุนทะสองพระอุปเสนและสามพระเรวตะและก็มีน้องสาวสามคนก็คืออ่าคือหนึ่งชื่อว่านางจาระนางจาราคนที่สองชื่อว่าอุปจาราและคนที่สามชื่อว่าสีสุปจารารวมเป็นเจ็ดคนกับทั้งท่นานภาษาลิบอุปเสอุปเสน มานพุนผู้นั้นขั้นเจริญวัยขึ้นแล้วก็ได้ศึกษาไตรเพศตามลทัทธิของพระและต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาก็จึงได้บรรพชาอุปสมบทถือเพศเป็นบรรพชิตทำกิจของศา ส, สนาตามนาทีก็ขั้นท่านอุปเสสนะบทแล้ว พระธรรมิกทั้งหลายก็จึงได้เรียกชื่อของท่านว่าอุปเสนวังคันตะพรามณ์อณวังคันตะบุตรอุปเสนวังคันตะบุตรซึ่งชื่อของพร ะ, ะชื่ออุปเสนนี่คงจะมีกันหลายองค์ในการก็เลยเอาชื่อของบิดาชื่อว่าวังคันตะนาใส่เข้ามาด้วยว่าอุปเสนวังคันตะบุตรก็แปลว่าพระอุปเสนผู้เป็นบุตรของวังคันตะพราหมณ ซึ่งเหมือนกับคล้ายๆกับพี่ชายของตนว่าสาลีบุตรคือบุตรของนางสาลีท่านอุปเสณะวังคันตบุตรนี้เมื่อบวชแล้วมีพรรษาได้เพียงพรรษาเดียวเท่านั้นก็มาคิดว่าจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญทวีขึ้นด้วยหมู่พระอริยสม คือต้องการจะให้พุทธศาสนาเนี่ยจะเลื่อขึ้นให้รวดเร็วโดยการที่มีหมู่พระสงฆ์เนี่ยอริยสงฆ์นี้ให้มากมากขึ้นก็จึงได้ตั้งตนเป็นพระอุปชัยยะอุปสมบทกุลบุตรและเมื่อภายหลังเมื่อตอนเองได้เป็นอุปชัยยะบวกลบกุลบุตรได้เป็นมากแล้วมีเป็นลูกศิษย์มีมีลูกศิษย์มากแล้วก็ได้พาลูกศิษย์ของตอนเองนั้นไปเฝ้าพระบรมศาสดา ถูกพระบรมศาสดาลุกหลานว่าเป็นโมคะบุรุษเป็นผู้ที่มีความมากมากคือพระองค์ทรงลุกหลานลุกหลานว่าโมคะบุรุษหมายถึงว่าตนเองนั้นยังไม่ได้มรรคผลนิพพานในขั้นสูงก็ตั้งตนเป็นอุปชาเป็นผู้มากมา ก, มากต้องการจะเป็นคนที่มีศีลสารูปศิธิ์มากบังหรือเป็นผู้มากมากในลาบบางังก็ทรงติเตียนต่างๆ เมื่อท่านกลับมาจากที่เฝ้าแล้วก็จึงคิดต่อไปว่าในบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงติเตียนเราแต่แทนที่ตนเองนั้นจะคิดโกรธเคืององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับหวนคิดเสว่าวันนี้เราโดนติเตียนแต่วันข้างหน้าต่อไปจะยังให้พระพุทธเจ้าจ ะ, จะให้พระพุทธองค์เนี่ยตรัสสาทุกการให้ได้คือให้สรรเสริญให้ได้ เพราะอาศัยที่เราบริษัทของเรานี่แหละเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วก็จึงได้ตั้งใจเป็นคนที่ไม่ประมาทเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็ได้สำเร็จพระอระหัตผลท่านประพฤติอยู่ในทุต ด, ดงคุณ13ประการด้วยกันทุต ด, ดงคุณ13ประการ ซึ่งมีการถือบิณฑบาตเป็นวัดเป็นต้นตามตำนานปรากฏว่าท่านได้เป็นพระอุปัชฌายะหลังจากที่ท่านเดบสดําเร็จพระอรหันตผลแล้วเป็นพระอาหารหันตแล้วได้เป็นพระอุปัชฌายะบวชกุลบุตรจนกระทั่งมีสธิวิหาริกได้ประมาณถึงห้าร้อยองค์ด้วยกันครั้งหนึ่งเมื่อ สมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารท่านก็ได้พาสัตวที่วิหาริของท่านทั้งห้าร้อยองค์เนี่ยไปเฝ้าพระบรมศาสดาในครั้งนี้เององค์ทุนิษฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จงได้ทรงตัดสาทุการแก่ท่านว่าสาทุสาทุอุปเบสนะดีละอุเบสนะดีละอุเบสนะสมควรตามก็เป็นอันว่า ท่านนั้นตั้งใจไว้แล้วก็ได้ทำให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัสสาทุกการสมตามที่ท่านได้ตั้งใจคิดไว้และพระองค์ก็ได้ทรงแสดงคุณของท่านอุปเสะนี้มีประการต่างๆแล้วก็ตั้งท่านไว้ในฐานะเป็นผู้เลิกกบิสุทิ์ทั้งหลายฝ่ายข้างเป็นผู้ นำมาซึ่งความเลื่อบใสโดยรอบด้านในหมู่ชนทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำนี่จะเห็นได้ว่าประวัติของท่านนี่ก็เป็นที่น่าศึกษาตามความตั้งใจของท่านคือท่านนั้นในอันดับแรกนั้นถูกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลุกลาหรือว่าติเตียนว่าเป็นโมคะบุรุษเป็นผู้มาก ท่านเมื่อถูกติเตียนอย่างนี้แล้วก็ไม่มีความท้อใจกลับพยายามคิดอยู่ว่าวันนี้ถูกติเตียนวันหน้าจะให้พระองค์นั้นสาตัดสาทุกการให้ได้แล้วท่านก็ทำจนสำเร็จจนกระทั่งที่องค์ทุเด็จพระสมมาสัมพุทธเจา้านี้ทรงสรรเสริญพระคุณคุณของท่านนั้นนานับประการแล้วก็ตั้งท่านไว้ในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้นาความเลื่อมใส โดยรอบในหมู่ชนทั้งสูงและทั้งต่ำซึ่งท่านสามารถนั้นยังบุคคลทั้งชั้นสูงชั้นต่าคือในวรณะทั้งสี่นั้นทั้งวรณะพรามวณะกษัตริย์และวรณะแพร่วณสูตรซึ่งเป็นคนชั้นต่ำให้เลื่อมใสได้ทั้งหมดซึ่งผิด ก, กันกับท่านพระกาลุทายีซึ่งได้รับยกยอ่องจากพระพุทธองค์ว่า ยังตระกูลที่เลื่อมใสไอ้ยังตระกูลที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแต่นี่ท่านยังเป็นผู้ที่ยังความเลื่อมใสดโดยรอบด่านในหมู่ชนทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำท่านพระอุปเสสนะวังคันตะบุตรนี้ก็ได้เป็นกำลังใหญ่ในการประกาศศาสนาจนกระทั่งที่มีสถิวิหาริกถึงห้าร้อยท่านด้วยกันท่านนั้นก็เด็มลงเบญจขัน์อยู่โดยสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพพาน นี่อันนี้เป็นประวัติของท่านพระอุปเสนวังคันตะประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่ห5สิบห้าเป็นประวัติของท่านพระขัิยะขัติระวณิยเรวะตะัตเตเถระประวัติของท่านองค์นี้ชื่อยาวหน่อยชื่อว่าขัิร วนิยะเรวัตเถระท่านพระเรวัตท่านพระคัทีละวนิยะเรวตะเถรน ะ, ะ, ะ, ะ, น, ะ, ร ะ, ะนั้นประวัติเดิมของท่านก็คือว่าเป็นบุตรของวังคันตพรามมารดาชื่อว่านางสาลีพรามณีเกิดในตําบลบ้านชิวานาลันทาเป็นบุตรสุดท้องคือเป็นน้องชายของท่านพระสาลีบุตร น, นเอง เดิมเลยท่านชื่อว่าเรวตะามานุชื่อว่าเรวตะมานุแต่ที่ว่าเมื่อมาเป็นพระเถระมาบวชในพุทธศาสนาแล้วชื่อยาวไปว่าคธทิละวณิยะเรวตะนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าท่านชอบอาศัยอยู่ที่ป่าไม้ตะเคียนคธทิละไม่คทิละวันวนวณ น, นะ ก็คือป่าไม้ตะเคียนนิยะนั่นก็อิยะนั่นก็แปลว่าอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นชื่อท่านก็คือว่าพระเลวตะผู้อาศัยอยู่ที่ป่าไม้ตะเคียนจึงได้มีชื่อนำหน้าท่านอย่างนั้นตามตำนานกล่าวว่าเลวตะมานุปุนี จเจริญวัยมีอายุได้เพียงประมาณเจดปีเท่านั้นเองมารดาบิดาก็ปรึกษากันว่าบุตรของเรานั้นบวชหมดทั้งลูกหญิงลูกชายยังเหลืออยู่แต่พ่อเลวัดคนเดียวเท่านั้นถ้าบวชซิ อ, อีกก็ไม่มีใครที่จะสืบวงตระกูลต่อไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะผูกพันเจ้าเลวัดเนี่ยบุตรของเรานั้นน่โดยอันให้มีเย่ามีเลือนทีแต่ยังเด็กยังเล็ก อย่าให้พระสมณะโคดมหรือว่าสมณะสักยบุตรพวกสมณะพระสมณะสักยบุตรพาไปบวชสีอีกเลยก็ท่านปรึกษากันแท่อย่างนี้แล้วก็จึงไปมั่นนางกุมาริกาผู้มีชาติกลเสมอกันอยู่คนหนึ่งและได้กำหนดวันอาวาหาวิวาห์มงคลขึ้นตามเรื่องแล้วก็คือว่า วังคันต์พระก น, นางสาลีพราะมณีนี้เป็นคนที่มั่นคงในศาสนาหรือว่าในลัทธิของพราะอย่างมากแม้ทั้งทังที่ว่าลูกชายของตนเองนั้นทั้งลูกชายลูกหญิงของตนเองนั้นเป็นพระอรหันต์ถึงหกองค์แล้วก็คือว่าฝ่ายลูกชายก็บวชเป็นพระทั้งสหาสามองก็คือหนึ่งท่านภาษาลิบุตรสองอุปอหนึ่งท่านภาษาลิบุตร นะฮสองพระจุนทะสามอุปเสนะสามคนอยู่แล้วสามคนที่บวชเป็นพระก็ได้เป็นพระรหันต์หมดแล้วแล้วฝ่ายทิดาก็คือว่าอนางจาลานางอุปจาราและก็ศีสุปจาราได้บวชเป็นภิกษุณีก็ได้เป็นพระรหันต์หมดแล้วแต่ว่าตนเองนั้นยังไม่ยอมนับถือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น จึงเหลือลูกคนสุดท้ายชื่อว่าพ่อเลวัตนี่แหละกลัวว่าพวกสมณะสากยบุตรคือพวกพระพิสุิ์ในพุทธศาสนา น, นจะพาไปบวชอีกก็จึงรีบให้แต่งงานเสียตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอันนี้ท่านภาษาลิบุตรนั้นก็ได้ทรงก็รู้อุปนิสัยหรือว่ารู้ความคิดของ บิดามารดาหรือโยมบิดามารดาของตอนเองนั้นก็จึงได้สั่งพระพิสุทั้งหลายไว้ว่าถ้าหากคนน้องชายของผมคนสุดท้องคือพ่อเลวัดออกบทเมลัยแล้วก็ขอบทเมลัยแล้วท่านจงให้บททันทีเลยโดยไม่ต้องอย่าไม่ต้องให้ขออนุ ญ, ญาตต่อ บ, บิดาและมารดาเพราะเหตุที่ว่าโยมบิดามารดาของผมนั้นยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ ขอให้ท่านบวชได้ทันทีเพราะผมเป็นพี่ชายก็นับว่าเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งผมอนุญาตก็ได้สั่งพิสุ์ว่าอย่างนั้นส่วนทางบิดามารดา น, นั้นของพ่อเลวัดก็คิดว่ากลัวลูกจะโดนพระพาไปบวชสิอีกก็จึงให้แต่งงานตั้งมื่ออายุเจ็กขวบได้กำหนดวันอาวาหะและวิว า, วาหะมงคลกันขึ้น คำว่าอาวาหะและวิวาหะมงคล น, นี้คือเรียกง่ายๆว่าการแต่งงานหรือว่าการหรือว่าการทำมงคลสมรสอาวาหะมงคล น, นี้หมายถึงว่าการทำการสมรสโดยการที่นํำฝ่ายหญิงมาทำพิธีแต่งงานที่บ้านฝ่ายชายส่วนวิวาหะมงคล น, นี้ได้แก่การทำมงคลสมรส โดยนำฝ่ายชายนั้นไปทําพิธีแต่งงานที่บ้านฝ่ายหญิงแต่ว่าคนชมพูทเวีบหรือประเทศอินเดียนั้นนิยมทํากันทั้งอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลทั้งสองประการก็คือว่าการที่เขาแต่งงานนั้นเขาทําทั้งสองอย่างคือในอันดับแรกเขาจะทําวิวาหะมงคลก่อน วิวาหมงคล น, นี้ก็คือ น, นำฝ่ายชายนั่นคือเจ้าเบ่านั้นไปทำพิธีแต่งงานที่บ้านฝ่ายหญิงเมื่อแต่งงานเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างกลับบ้านคือฝ่ายชายก็นาเจ้าเบ่านั้นกลับบ้านรอจนกระทั่งได้เลิกงามยามดีที่จะส่งตัวเข้าหอเลี้ยงหมอนกันแล้วก็ก็มาทาพิธีอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าทาอาวาหะมงคล ทำวาหะอาวาหะมงคลอ้อขอโทษในการก่อนอในพิธีก่อนนั้นทําอาวาหะมงคลก่อนอทําอาวาหะมงคลอทําทําอาวาหะมงคลก่อนคือโดยนําที่ฝ่ายหญิงไม่ทําพิธีที่บ้านของฝ่ายชายเมื่อทําพิธีเสร็จแล้วก็ฝ่ายหญิงก็นําเจ้าเจ้าสาวกลับอยูงบ้านของตนเองพออยู่ต่อมาเห็นว่า เป็นเลิกงามยามดีแล้วที่จะเข้าหอลงโลงกันแล้วก็จึงได้ไปทำพิธีอีกครั้งหนึ่งคือทำวิวาหะมงคลโดยฝ่ายชายไปทำพิธีที่บ้านของฝ่ายหญิงแล้วก็นำฝ่ายหญิงนั้นกลับมาอยู่อย่างบ้านของตัวเองตอนนี้ก็ได้ร่วมเรียงเค็มหมอนกันต่อไปนี่เป็นประเพณีเช่นของอินเดียยังมีอยู่จนถุงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ตามประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาแล้วเรื่องการมงคลสมรสนั้นท่านจะใช้คำว่าอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลด้วยกันทั้งคู่สาหรับในวันนี้ขอุติไวเพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่าน นักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็จะได้ว่าประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่ห้าหกสิบห้าคือประวัติของท่านพระ ข, ขะทิละวะนิยะเลวตะเถระต่อเมื่อครั้งที่แลนั้นได้ว่าค้างมาถึงตอนที่บิดามันดาของ เรวตัตคือวังคันตพรามกับนามพรามณีผู้เป็นบิดาของเรวตะมานุก็คือเรวตะมานุกนี้เป็นน้องชายคนสุดท้องหรือคนเล็กของท่านพระสาราีบุตรบิดามันดามีความคิดว่าลูกชายลูกหญิงของเราทั้งหกนั้นก็ดเดบวดหมดแล้ว ยังเหลือแต่ว่าพ่อเลวตะคนเล็กเพียงคนเดียวเท่านั้นคืนปล่อยอยู่ไว้ก็กลัวว่าพวกพระภิกษุในพุทธศาสนาจะพาไปบวชอีกก็จึงจัดการให้แต่งงานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเพื่อเป็นการผูกพันไว้จะได้อยู่ครองคารวัตและสืบชาติตระกูลต่อไปก็จึงได้ไปขอหญิงสาว คือม่จึงได้ไปขอเด็กหญิงในตระกูลที่มีชาติตระกูลเสมอการมีทรัพย์สมบัติเสมอกันในคนหนึ่งก็ได้ จ, งจึงได้กำหนดวันอาวาหาวิวาหะมงคลขึ้นครั้นถึงวันกำหนดแล้วก็จึงได้ประดับตกแต่งเลวะตะมานพุนีพาไปสู่เรือนของนางกุมาริกาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก ในขณะที่ทำการมงคลสมรสอยู่นั้นเลวะตม์มานผู้นีก็เกิดความเบื่อหน่ายในการที่จะอยู่ครอบครองเลือนเมื่อเสร็จการมงคลแล้วก็ได้พากันจัดแจงกลับบ้านก็คือว่าพานางกุมาริกาที่เป็นคู่แต่งงานคู่สมรสนั้นกลับมาอย่างบ้านของตนเองคือบ้านของพ่อเลวะตะมานน เรวัตามาโนกกับนางกุมาริกานั้นก็นั่งมาอยู่ในรถคันเดียวกันเมื่อมาในระหว่างทางเรวัตามาโนกนี่ก็คิดหาอุบายที่จะหลีกเลี่ยงจะหนีไปเสียดังนั้นเมื่อมาในระหว่างกลางทางมาถึงในระหว่างกลางทางมาถึงป่าแห่งหนึ่งก็จึงได้หาออกอุบายขอลงจากรถไปเพื่อทํากิจส่วนตัว แล้วก็ได้เข้าไปหาพระพิสุผู้อยู่ป่าประมาณสามสิบลูกที่อยู่ในที่นั้นก็ขอบันระชาคือขอหมดเป็นสา ม, มเณรพิสุเหล่านั้นก็ทราบว่าเรวตะมานพุนีเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรก็ให้การบันประชาทันทีเลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตลับอนุญาตจากบิดามันดนาะ ท่านภาษาริบุตรได้สั่งบังคับบสั่งกำชับภิกษุเหล่านั้นทั้งหลายไว้ว่าถ้าเลวตะน้องชายของผมเข้ามาบวชในสำนักของท่านแล้วก็ท่านทั้งหลายจงบวชให้ทันทีเลยโดยไม่ต้องรับอนุญาตจากบิดามารดาเพราะบิดามารดาของผมนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไม่ยอมนับถือพระพุทธศาสนาท่านพวกภิกษุเหล่านั้นให้เลวตะบวชเป็นสัมเนธแล้วก็ได้ส่งข่าวไปให้ท่านภาษาริบุตรทราบ ท่านภาษาใิสมบตรณนี้ก็มีความประสงค์จะมาเยี่ยมน้องชายของตนเองที่บวชเป็นสมณีนั้นก็จึงเด็ดกราบทูลาพระพุทธองค์นี้ถึงสองครั้งเดยวยกันแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามเสียทั้งสองครั้งโดยบอกโดยตรัสให้ยับยั้งอยู่ก่อนให้รอก่อนรอมาจกนกระทั่งว่า พ่อเลวตะสมมณเผู้นี้อายุครบยี่สิบปีบริบูนตามพระวินัยนิยมแล้วก็จึงได้อุปสมบทเป็นพิสุในพุทธศาสนาพ่อเลวตะนั้นท่านบทแล้วก็มาคิดว่าถ้าว่าเรานี้จะอยู่ที่นี้พวกยาก็จะติดตามมาพบเราเข้าก็จะไม่เป็นการปลอดภัย ดังนั้นก็จึงเรียนเอากรรมฐานในสำนักของพิสุเหล่านั้นแล้วก็ถือเอาบาตรและจีวร น, นั่นเนะ่ะเที่ยวจารึกไปถึงป่าไม้แต่เคียนซึ่งห่างไกลจากที่ตนเองหรือที่พิสุประมาณสามสิบลูกที่พิสุสามสิลูกนันอยู่อาศัยนั่นประมาณสามสิบยคือลึกเข้าไปห่างออกไปสามสิบย ก็ได้พมนักอยู่ที่นั่นเองคือที่ป่าไม้ตะเคียนนั่นเองอุสาบมเพนเจริญสมณนธรรมบมเพนเพียรในวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้านักก็ได้สำเร็จพระอรหันตผลภายในพรรษานั่นเองคือว่าเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ภายในพรรษานั่นเองพรรษาแรกนั่นเองเมื่อออกพรรษาบวรณาแล้วท่านภาษาลิบุตร ก็เดกกราบทูลลาพระบรมศาสดาเพื่อจะไปเยี่ยมพระเลวะตะน้องชายพระบรมศาสดาก็รับสั่งให้รอก่อนเพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปด้วยแลว้วก็รับสั่งให้บอกภิกษุทั้งหลายที่จะตามเสด็จเตรียมตัวครั้งนั้นปรากฏว่าพระองค์นั้นได้เสด็จไปพร้อมกับพระภิกษุตามเสด็จไปเป็นบริวารประมาณห้าร้อยลูก ท่านพเลวะตะเคยทําการต้อนรับเป็นอย่างดีตามทํานานท่านกล่าวว่าเลวะตะผู้นี้ก็ได้เดลมิตรพระคันธกุฎีเป็นที่ประทับของพระพุทธพระบรมศาสดาและกุฏิทั้งหลายหรือว่าห้องทั้งหลายวิหารทั้งหลายเป็นที่อประเภทที่เรียกว่าเป็นเรือนยอดห้าร้อยเพื่อเป็นที่พานัก ของพิสูุผู้เป็นบริวารแล้วก็เนลมิรที่จงกรมห้าร้อยแห่งที่พักในกลางคืนและกลางวันอีกห้าร้อยแห่งพระบรมศาสดาก็เสด็จประทับแรมอยู่ณนะที่นั่นถึงเดือนหนึ่งจึงเสด็จกลับนะถึงเดือนหนึ่งก็จึงได้เสด็จกลับแต่บางตำนานก็กล่าวว่า ประวัติของท่านพระเลวะตะเถระนี้เมื่อพิจารณาตามในที่ในธรรมบทตรภาคสี่แล้วก็ได้ความว่าเลวะตะเถระผู้นี้บวชเป็นสมณีเมื่ออายุได้เจ็ดขวบคันบวชแล้วก็ไปอยู่ในป่าทําความเพียรได้บรรลุพระอรหันต์ภายในภาษานั่นเองก็หมายความว่าได้เป็นพระอรหรันต์เมื่อเป็นสมณีคือเมื่ออายุเจ็ดขวบนั่นเองคือบวชพรรษาแรก หรือบทปีแรกก็ได้สําเร็จแล้วพอออกภาษาแล้วพอบรมศาสตรันดากระภาษาลิบบุตรก็สำเร็จไปเยี่ยมครั้งนั้นที่ไปเยี่ยนั้นท่านยังเป็นสมณีนยอยู่ยังไม่ได้อุปสมบทนี่ในธรรมบทท่านกล่าวไว้อย่างนั้นแต่ในประวัยของเรื่องอสีติมหาสาวกกล่าวว่าอยู่ได้บทเป็นเนยุจเจคขบ อ, อยู่มาจนกระทั่งที่ได้อุปสมบทคืออายุยี่สิบแล้วได้อุปสมบทแล้วจิ่งได้สําเร็จ พระอระหันต์จะผลในภรษาต้นนั่เองและหลังจะบวรณาแล้วพระบรมศาสดาร้อมด้วยพิษุจึงเสด็จจึงได้ไปเยี่ยมที่ท่านนั้นเมื่อไปเยี่ยมแล้วท่านก็เ ด, ดินเมิตรสถานที่เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และพิษุท์ทั้งห้าร้อยทั้งเรมิตรที่จงกรมที่พักกลางคืนและกลางวัน พระบรมศาสดาก็เสด็จประทับแรมอยู่ที่นั่นถึงหนึ่งเดือนจึงเสด็จกลับส่วนท่านพระเลวตะนั้นก็ชอบสำนักอยู่อาศัยในป่าะเกียรนนั่นเองเพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงตั้งท่านไว้ในเอตถะคฐานเป็นผู้เลิ่กว่าพิสุทิ์ทั้งหลายผู้อยู่ป่าและก็เพราะเหตุที่ว่าท่านพระเลวตะเถระนี่ เป็นผู้ชอบอ่ะเป็นผู้อยู่ที่ป่าไม้ตะเคียนประจำสหธรร ม, มิกและชนทั้งหลายก็จึงได้เรียกชื่อท่านว่าพระคทิระวะนิยเลวตะเถระคือเอาคำว่าอยู่ป่าไม้ตะเคียนประจำนั้นนำหน้าคำว่าเรวตะคือชื่อของท่านซึ่งมีความหมายว่าพระเรวตะผู้อยู่ ณนะป่าไม้ตะเคียนอันหนึ่งตามประวัตินั้นที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมบทว่าเมื่อองค์ส้นเดจพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้ากับพร้อมด้วยพิสุผู้เป็นบริวารห้าร้อยประทับอยู่ที่ที่สำนักหรือว่าที่ที่อยู่ของพระเลวตักคือที่ป่าไม้ตะเคียนนั้นก็มีพระพริสุผู้เป็นปุถุชนองค์หนึ่ง เห็นว่าที่พักที่เลวตะต้อนรับนั้นเป็นที่สะดวกสบายมีเรือนยอดถึงห้าร้อยหลังมีที่จงกรมห้าร้อยแห่งที่พักกลางคืนกลางวันก็ห้าร้อยแห่งรู้สึกว่าเป็นสบายก็มันนึกขึ้นในจิตว่าท่านานาดพระอรหันนี้ยังมีสถานที่อยู่อันน่าลื่นลมอย่างนี้ คือมีที่พักที่อยู่อย่างสบายเช่นนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขณะที่พระองค์เสด็จกลับนั้นก็จึงทําอให้พิกษุรูปนั้นลืมเครื่องบริขารอย่างหนึ่งคือลืมลืมบาทไว้ไม่ได้อามาไม่ได้ไม่ได้นํากลับมาด้วยเมื่อเมื่อกลับมาแล้วได้ครึ่งทางเมื่อกลับมาแล้ว หน่อยหนึ่งก็จึงได้นึกขึ้นได้ว่าตนเองนั้นลืมบาทไว้ก็จึงเดิกลับหวนกลับไปยังที่เดิมเพื่อที่จะไปดำบายคืนนั้นปรากฏว่าเมื่อกลับไปแล้วพระคันธกุดีที่ประทับของพระองค์ก็ไม่มีเรือนยอดทั้งห้าร้อยหลังก็ไม่มีที่พักกลางคืนกลางวันทั้งห้าร้อยแห่งก็ไม่มีเป็นป่าไม้ตะเคียนไปหมด ไปเห็นบาปของตัวเองนั้นไปห้อยอยู่ที่ตอไม้ตะเขียนต้นหนึ่งก็จึงได้รู้ได้ว่าสถานที่ที่พระเรคทิยะวณิยะเลวะตะได้ต้อนรับนั้นเป็นสถานที่ที่ได้เดลเนลมิตรขึ้นไว้แต่ความจริงแล้วก็เป็นป่าไม้ตะเคียนนั่นเองท่านพระเลวะตะ เถระผู้นี้ได้เป็นกำลังใหญ่ในการประกาศศา ส, สนาองค์หนึ่งเช่นเดียวกันเหมือนกันดังนั้นเมื่อดำลงเบญจขันธ์อยู่โดยสมควรแก่การอันสมควรก็ดับขันธพรนิพานเป็นอันว่าในตระกูลแห่งอุปติสโคตแห่งพรามตระกูลแห่งวังคันตพรามนี้ บวชหมดทั้งต่กูลคือลูกผู้ชายสี่และลูกผู้หญิงสามเป็นพระรหันต์หมดลูกผู้ชายสี่นั่นก็คือหนึ่งพันภาษาลิบุต 2, รสองพจุนทะสามอุปเสนะวังคันตะแล้วก็สี่เลวตะส่วนลูกผู้หญิงนั่นก็จารา อุปจาราและสีสุ ป, ปจาราเป็นนามเป็นบทเป็นพิษุนีหมดได้สําเร็จพระอรหันต์หมดทั้งเจดคนก็เป็นอนันุวารูปปฏิสะโคดซึ่งบิดาแห่งชื่อว่าวังคันตะและมารดาชื่อว่านางสาลีนีที่จะมีบุตรไว้สืบสกุลสเพียงคนหนึ่งนั้นก็เป็นอนันุวาหมดนี่ก็เป็นประวัติของท่านพระเลวัตคะัะทิยะเถอ่ะวัฒนคัทิละ เลวะวิยะเลวะตะเถระผู้เป็นน้องชายคนสุดท้องของท่านพิษาริบุตรก็จบเพียงแค่นี้ในอันดับต่อไปก็เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่หกสิบหกคือประวัติของท่านพระศีวลีเถระท่านพรศีวลีเถระนี้ประวัติเดิมของท่านก็คือเป็นพระโอรสของพระนางสุ ป, ปวาสา พระนาสุปวาสานีเป็นพระราชจิติดาของพระเจ้ากรุงกโกริยะกรุงโกริยานี้ก็เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายข้างมรรดาของเจ้าชายศิษฐากุมารนะหรือเรียกว่าเป็นฝ่ายทางโกริยะฝ่ายมารดาขององค์ทุนเนพ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฝ่ายศากยะนั่นเป็นฝ่ายทางพุทธบิดา พระนางเจ้าสุปววาสานี้ผู้เป็นทิดาของพระเจ้ากุมโกริยะนั้นจำเดิมตั้งแต่พระราชโอรส ถ, ถือปฏิสนธิในครังของตนนะทำให้ตนนั้นทาให้มารดาของตนนั้นสมบูรณ์ไปด้วยลาบส ก, การะเป็นอันมากแต่ว่านางสุปววาสาผู้นี้ทรงครั้อยู่นานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวัน จึงจะประสูติแต่เวลาประสูติมาแล้วก็ประสูติง่ายที่สุดท่านเปรียบว่าเหมือนกับว่าน้ำที่ไหลออกจากกระบอกหรือเหมือนกับพระธรรมกัตึกลงจากธรรมะอันนี้ก็โดยอนุภาพด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพคือว่าเมื่อพนาง สุปวาสารนั้นคันแก่ขึ้นครบกำหนดที่จะประสูต์แล้วก็ปรากฏว่าได้เสวยทุกเวทนานลำบากเป็นอันมากคือทรามานเป็นอันมากพระนางก็จึงได้ให้พระสวามีเนี่ยไปกราบถวายงมงคลทูลความทุกเวทนานในการที่จะคลอดบุตรคนตนนั้นแก่พระบรมศาสดาพระองค์ทรงทราบเขาก็จัดพระราชทานพรให้ว่า ขอพันนาสุปวาสานั้นขอพันนาสุปววาสาผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากงุงโกริยะนั้นจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโลคาพยาธิประเสรพระราชบุตรผู้หาโลกมีได้เถิดก็ปรากฏว่าในขณะที่พระองค์นั้นทรงตรัสประทานพอรอยู่ที่พระคันธกุลีนั่นเอง พนางสุปวาสาที่อยู่ในพระราชวังนั้นก็ได้ประสูติพระราชบุตรพร้อมกับที่พระองค์นั้นตัดพระราชทานพรนั่นเองเมื่อประสูติมาแล้วพวกญาติทั้งหลายก็ให้ขนานนามว่าศรีวลีกุมารศรีวลีกุมารส่วนนางสุพวาสานั้นเมื่อ น, นึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วคือว่าตนเองนั้นต้องทรมาน ตั้งครรนหรือว่าทรงครรนอยู่ถึงเจดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนั้นก็มีความปรารถนาจะถวายมหาทานสักเจ็ดวันนะถวายทานสักเจดวันก็จึงให้พระสวามีเนี่ยไปอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมารละพตาหารที่บ้านตลอดเจ็ดวันพระราชสวามีก็ ไปตามความประสงค์ของนางแล้วก็ได้ถวายมาหาฐานตลอดเจ็ดวันเหมือนกัน <c oughs> ในข้อนี้ก็มีเรื่องราวาทำไมว่าสิวรีกุมานี้จึงได้อยู่ในครรภ์ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันอันนี้ท่านกล่าวว่าเป็นเพราะเหตุที่ว่ากรรมในอนดีตชาติ ในอดีตชาตินั้นพระศิวลีผู้นี้เป็นกษัตริย์แห่งพระนครพระนครหนึ่งได้กีทาทัพไปล้อมพนมนครแห่งหนึ่งเสร็จแล้วกษัตริย์แห่งพนะนครนั้นก็สั่งให้ปิดประตูพรนครทั้งหมดคือเห็นว่าท่าจอาจจาะเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ให้ปิดประตูพระนครทั้งหมดห้ามไม่ให้บุคคลออกอันบุคคลนอกเข้าบุคคลในออก เพื่อต้องการว่าให้สิวลีกษัตริย์ผู้นี้เมื่อไม่สามารถจะทนอยู่ได้ก็จะได้กลับไปเองแต่สิวลีผู้เป็นกษัตริย์นี้ก็ในดีตชาตินั้นก็ล้อมอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจนป ร, ระชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นไม่สามารถที่จะออกมาทำนาหรือทำไร ข้าวก็ได้ต้องอดอยากอยู่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็มาคิดขึ้นว่าถ้าหากเราปล่อยอยู่เช่นนี้พวกเราเหินที่อดตายแนย่ก็จึงได้มีความคิดร่วมกันโดยที่จับพลาชาของตนเองปรงงรผชนเสียแล้วก็เปิดประตูรับกษัตริย์แห่งสิุลีพร้อมทั้งกองทัพให้เข้าไปครอบครอง พนคร น, นั้นอี้พนครนหนึ่งอันนี้แหละเป็นกรรมที่วศิวลีกุมาร น, นั้นเคยล้อมพนครคนอื่นเขาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันทําให้ประชาลพชนนั้นอดอยากเป็อันมากเพราะเหตุนั่งกรรมอันนี้แหละจึงทําให้ตนเองต้องอยู่ในครันของพระราชมารดา น, นั้นถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันอันนี้ท่านกล่าวว่าเป็นปฐพรกรรมในอดีตชาติ สิวลีกุมานนั้นนับตั้งแต่วันประสูตรมาแล้วก็ได้ถือธรรมกะหลกคือผ้ากลองน้ําเนี่ยกลองน้ําถวายพระภิกษุที่มาฉันตลอดทั้งเจ็ดวันอันนี้ทา่านกล่าวอย่างนี้ก็แสดงว่าสิวลีกุมานเนี่ยจเจริญเติบโตในครัภนเป็นอย่างดีเท่ากับเด็กอายุเจ็ดปีเหมือนกันเจ็ดปีเจริเดินเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อคลอดจากคระคันของมารดาแล้วก็หมายความว่าเดินได้สามารถที่จะกรองน้ําถวายพระภิกษุมีพุทธเจ้าเป็นประธานที่มาฉันได้ทั้งเจ็วันตลอดเจ็วันเมื่อศรีวลีกุ ม, มาจเรินวัยขึ้นแล้วก็ได้ออกทรงพรนวดในสํานักของท่านภาษาลิบุตรในสํานักของท่านภาษาลิบุตรในที่นี้ไม่ได้กล่าวว่า ไม่มีประวัติที่กล่าวว่าสิวรีกุมารผู้นี้ได้สธานในพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาหรือไม่จริงได้ออกบทหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าซึ่งประเพณีของพระประยุรญานั้นจะต้องออกบวทตามเสด็จพระพุทธองค์นั้นตะกูละพระองค์ตะกูละพระองค์จะเห็นตัวอย่างได้เช่นท่านพระมหานามะได้พูดกับท่านพระอนุรุ ว่าแต่กลุของเหล่านี้ยังไม่มีใครบวชตามพระบรมศาสดาเลยเพราะฉะนั้นไม่พี่ก็เจ้าคนใดคนหนึ่งจะต้องออกอาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้เพราะนั้นศิวรีกุมา น, นีก็นับว่าเป็นพระญาติของพระพุทธองค์ทางฝ่ายพระพุทธมารดาก็คงจ ะ, สะเสด็จออกตามพัย่างนี้ก็จึงได้ออกพันธุ์ในสำนักของท่านภาษาลิบุตร ได้บรรลุผลตามความปรารถนาก็คือว่าเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรไม่ประมาทเจริญสมณธรรมก็จนได้บรรลุรอรหัตผลเป็นพระอเศสขบบุคคลในพระพุทธศาสนาในว่าท่านตั้งแต่ท่านพุทธิวรีนี้ท่านวสีวรีเถระผู้นี้ได้บรรลุอรหันต อ่าได้บรรลุมรคผลตั้งแต่เวลาปลงผมคือเวลามิโก น, นจดลงที่ศีรษะครั้งที่หนึ่งก็ได้บรรลุเป็นได้บรรลุโสโดาปฏิผลครั้งที่สองนั้นได้บรรลุสกีทาคามิผลครั้งที่สานั้นก็ได้บรรลุอนนาคามิผลเมื่อปลงผมเสร็จแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลเลยนี่ประวัติของท่านว่าการได้บรรลุอรหัตผลของท่านนั้น ได้บรรลุเมื่อปลงผมเสร็จโดยที่ว่าจดไม่โกนครั้งแรกนั้นลงถึงศีษะก็บรรลุโซดาปฏิพันธ์ครั้งที่สองได้บรรลุสกิทาขามีผลครั้งที่สามได้บรรลุอนาขามีผลเมื่อปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุอรารัถผลเลยตั้งแต่นั้นต่อมาปรากฏว่าท่านนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยลาบเป็นอย่างยิ่งไม่มีความขลายแคลนด้วยปัจจัยเลย ปัจจทั้งสี่เลยพิสู่ทั้งหลายที่อยู่ในสำนักเดียวหรือว่าในวัดเดียวของท่านก็พลอยเป็นผู้ที่ไม่ขัดสนไปด้วยลาบส ก, การละไปด้วยเพราะอาศัยท่านนั้นเป็นเหตุนี่ตามตำนานเก่าอย่างนั้นว่าท่านเป็นผู้ที่มีลาบมากเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้รู้สึกว่าประชาชนทั้งหลายที่ต้องการลาบส ก, การละได้นาเอาอาคาถา ที่กล่าวออกนามพระนามของท่านนี้มาใช้สวดมนต์ภาวนาก็มีเช่นที่ได้ยินมาคาว่าสิวลีจจมหาเทโลลาพระลาโพนิลันตลังสัพราพังภวันตุเมเหล่านี้เป็นต้นนี่ออกพระนามของท่านเพราะปรากฏว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ว่ามีลาบมีปัจจัยอย่างเหลือเฟือไม่ขาดตกบกร่องแล้วก็เหลือเฟือซะด้วย ยังเป็นอันที่ว่าด้วยอนุเคราะห์พิสุที่ขัดสนนั้นให้เป็นผู้บริบูรณ์ไปด้วยการมีเล่าของท่านสุบรีนี้บางตานานก็ได้กล่าวว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ยังยอมกลัวยังยอมกลัวท่านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการมีลา่าดังที่ได้ยินมาว่าครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พร้อมด้วยพิสุ จะจาริบไปสู่ชนบทแห่งหนึ่งแต่ว่าจะต้องป่าผ่านป่าซึ่งในป่า น, นั้นก็หาบ้านที่จะโคจรระบิดบัตนั้นได้ยากหรือว่ามีน้อยพระองค์ยังได้ถามพระพิสุส่์ว่าในการไปครั้งนี้เนะี่ยสิวารีนะั้ไปด้วยหรือเปล่าพระสิวารีไปด้วยหรือเปล่าพิกษุก็ได้กราบทูลว่าพระสิวารีนี้ไปด้วย พระองค์ก็เลยจึงเบาพระทายว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะเหตุที่ว่าการไปกลางป่า น, นั่นก็หาอาหารและมิถบัดได้ยากแต่อำนาาที่ว่าซิวรีนี้เป็นผู้เจริญด้วยลาบไม่ขาดแคลนเป็นผู้ที่มีลาบเหลือเฟือก็พอที่จะช่วยอุปถัมบำลงหรือว่า อช่วยเหลือพิสุทั้งหลายผู้ขสน ล, ละปะจจะลัจเจียรลาบไปได้อันนี้เป็นเเอป็นประวัติตามที่ได้ยินมาเรื่องราวที่ยินมาอาศัยเพราะเหตุที่ว่าท่านพระสิวรีเถระผู้นี้เป็นผู้ที่มีลาบมากนั่นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ยกย่องว่าท่านนั้นเป็นผู้เลิกกว่าพิสุทังหลายฝ่ายข้างเป็นผู้ที่มีลาบมาก นะยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่มีลาภมากไม่มีพิสุองคใดนั่นจะสู้ทันใดแม้แต่การมีลาภมากนี้ก็ได้รับเป็นยกย่องเป็นเอตคะเหมือนกันก็เพราะเหตุว่าทัานใดอนุเคราะห์แก่บรรดาพิสุทิ์ทั้งหลายพิสุตสมเนรทั้งหลายที่อยู่ร่วมอาว่ากันผู้ขัดสนนั่นให้เป็นผู้สมบูรณ์ไปด้วย ท่านพระศิวรีเทระผู้นี้ท่านก็ได้เป็นกำลังอันสำคัญขององค์ทุเตพสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่ช่วยประกาศพระศาสนาองค์หนึ่งเช่นเดียวกันเพราะเหตุว่าเราจะดูได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีลาภมากนั้นก็คือว่าเกิดมาจากสภาภาษาทะของท่าน อของประชาชนทั้งหลายก็แสดงว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่เป็นที่เลื่อมใสแก่ประชาชนเป็นอันมากจึนได้มีลาบมากเช็นนั้นอันนี้ก็แสดงว่าการประกาศศาสนาของท่านนั้นมีผลเป็นอย่างมากทําให้ประชาชนที่ไม่เลื่อมใสก็ให้เลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วก็ให้เลื่อมใสามากขึ้นเมื่อเลื่อมใสามากขึ้นก็บํารุง พระพุทธศาสนาหรือภิกษุในพุทธศาสนานั้นด้วยปัจจัยสี่มากขึ้นอันนี้ก็นับว่าท่านนั้นเป็นกําลังสําคัญหรือเป็นองค์สําคัญองค์หนึ่งในการที่ประกาศพุทธศาสนายังพระศาสนานั้นให้ลุ่งเลืองลุ่ ง, ลงโลดในในขณะหรือในการของท่านที่ท่านดํารงชีวิตอยู่ท่านพระสิวลีเถระเจ้าผู้นี้ ก็ได้ดำลงเบญจขันธ์อยู่โดยสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพานแต่การปรินิพานของท่านนั้นก็ในตำนานนั้นก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าท่านปรินิพานนั้นเมื่อพระชนมายุเท่าไรและนิพานที่ไหนตอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานหรือว่าหลังอันนี้ตามตำนานก็ไม่ได้กล่าวกล่าวแต่เพียงย่อๆเพียงแค่นี้เท่านั้นเอง